วันนี้มีพระผู้ใหญ่มาหลายองค์ท่านจันกฤิตเดิมท่านเป็นโคศกนะเขาเรียกอะไรใช่ไหมไม่ใช่ท่านจัดรายการวัดสังฆทานวันนี้ท่านแยกออกมาภาวนาอาจารย์กฤษตใครฟังวิทยุฟังซีดีก็จะคุณเสียงท่านเสียงท่านหล่อมากเลย <c oughs> ตัวก็หล่อนะห <c oughs> ลวงพ่ออำนาจผาซ่อนแก้ว ลูกศิษย์ครูดเดียวกับหลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงปู่เทศอาจารย์สุรพลอีกคนนะลูกศิษย์หลวงปู่เทศพี่ไวยหมดครูบาอาจารย์แล้วก็มาช่วยเหลือกันเองช่วยเหลือมาเรียนตามซินิลิตี้ท่านก็มาหาหลวงพ่อประจาําแทบทุกเดือนพระสององค์หลวงพ่ออำนาจนี่ท่านดังดังกว่าหลวงพ่อเยอะเลยแล้วเก่งมากเลย ดูสร้างวัดได้มโหลานนะเราไม่มีปัญญาธรรมะเห็นก็เหนื่อยแล้วบารมีท่านเยอะเราเอาแต่เรื่องกรรมฐานเรื่องอื่นไม่เอาเลยพระทางอีสานะจะชวนหลวงพ่อไปก่อสร้างจะ <c oughs> น, นิมนต์ไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ให้ไปช่วยสร้างเราไม่เอาเราทํางานประกาศธรรมะทําเท่าที่ทําได้ไปสนใจก็มาเรียนมาฟังเรา ฟังแล้วเข้าใจลงมือปฏิบัตินะัก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมากเลยคนที่เรียนกับหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งนะถ้าไม่ดื้อ น, นะแล้ไม่ติดเพ่งไม่ติดของเก่ามาเพ่งเอาเพ่งเอาก็ไม่ใช่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะสามารถรู้กายรู้ใจได้นะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนเนะี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแนละคนรอบๆตัวเพราะก็เริ่มรู้สึกได้นะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะของมหาบุรุษ คุณสมบัติประการที่8ก็คือไม่เนิรนช้าถ้าภาวนามาทั้งหลาย10ปีแล้วเหมือนเดิมนะสงบแล้วฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วสงบทําผิดแน่นอนธรรมะของท่านต้องไม่เนิรนช้าธรรมะของท่านต้องชัดเจนแจ่มแจ้งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่างามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดหมายถึงไงหมายถึงว่ามีความชัดเจน มีเหตุมีผลสมบูรณ์อยู่ในตัวเองสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ต้องเชื่อตามตามไปแล้วก็ทำทำไปเถอวันหนึ่งจะดีอันนั้นไม่ใช่ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านต้องชัดเจนสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะถึงจะสู้กับมิจฉา ท, ทิฏฐิไหวเวลาเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าเราจะทาอะไร เราจะทำเพื่ออะไรเราจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงประเมินผลได้ด้วยยังไม่ใช่ทำๆไปเหอะทำๆไปเหอะบางคนทำผิดนะทำจนเครียดทำจนบ้าเรียนกับหลวงพ่อไม่มีบ้าสักรครนะมีแต่บ้ามาเรียนแล้วหายมีกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะเปิดเผยชัดเจนเรียบง่ายคนที่ไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะ จะอุทานตอนท้ายๆไปดูในพระสูตพรพอฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ะจะอุทานบอแจมแจ้งนักพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของความให้ไงเหมือนท่านจุดไฟขึ้นมาหวังว่าคนที่มีตาดีๆไม่ได้ตาบอดเนี่ยจะมองเห็นทางธรรมะของท่านเป็นธรรมะเปิดของความให้ไงนี่ของความขวม่มเปิดให้ไงแจ่มแจ้งนะไม่มี อะไรลึกลับอยู่ในนี้เพรน้ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยเราจะไม่ได้ทำกรรมฐานตามยาถากรรมเชื่ออาจารย์แล้วทำไปเถอะพระพุทธเจ้าสอนนะอย่าเชื่ออาจารย์นะอย่าเชื่ออาจารย์เรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติที่แท้จริงก่อนแล้วลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเราปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเบื้องต้นเราก็ได้ทำเบื้องต้น สมควรแก่ทาเบื tattoos tattoos tattoos. ้องกลางเราก็ได้ทําเบื้องกลางสมควรแก่ทาเบื้องปลายเราก็ได้ทําเบื้องปลายฝึกทําเบื้องต้นฝึกให้มีสติคนไม่เคยมีสติฝึกให้เกิดสติที่แท้จริงทําเบื้องกลางก็ฝึกจนจิตมันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาทําเบื้องปลายฝึกให้มันมีปัญญาขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นจริงๆแล้วการปฏิบัตินี่มันใช้เครื่องมือสองตัว คือสติกับสมาธิอาศัยสติกับสมาธินี่จะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นวิมุตต์จะเกิดขึ้นความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นเราพวกเราต้องค่อยๆ เ, เรียนว่าทํำยังไงเราจะพัฒนาเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสติแปลว่าความระลึกได้หน้าที่ของสติคือระลึกรู้สภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นมา รูปธรรมนำมาทมที่กำลังปรากฏหน้าที่ของสติคือหน้าที่ระลึกไม่ใช่หน้าที่เพง่งไม่ใช่หน้าที่กำหนดคนรุ่นหลังนะั้นไปแปลสติผิดไปแปลว่ากำหนดกำหนดมาจะาคาขมินจะคําว่ากดกดไว้ข่มไว้เคยถามมหาป ร, รียญอาจารย์องค์หนึ่งท่านหลายสิบพรรษาท่านเคยมาตอนนี้ท่านชรามากแล้ว่ไม่ได้มาแล้วถามท่านอาจารย์ กำหนดเนี่ยบาลีมควรจะว่าอะไรอย่างเราไปชอบแฝลนะทุกขังอริยสัจจังปรินย่อยังทุกเป็นของควรกําหนดรู้ในคําว่าทุกขังอริยสัจจังปริญย่อยังมีคําไหนที่แปลว่ากําหนดไหมที่แปลว่ากฎท่านบอกไม่มีกดไว้ข่มไว้บังคับไว้ควบคุมเอาไว้ทําให้อยู่ในอํานาจแทนที่เราจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้กลาเป็นบังคับได้ งั้นถ้าเราเพ่งมากๆนะสตินี่แหละถ้ากําหนดลงไปแล้วจะกลายเป็นสมถะทําสมถะนะจิตมันฟุ้งซ่านกําหนดลงไปฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอะเนี่ยหรือพุโทโธพุโทโธหรืออะไรต่ออะไรกําหนดลงไปหรือไปกําหนดอยู่ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องหายฟุ้งซ่านทําไมหายฟุ้งซ่านเพราะสมาธิมันเกิดสมาธิมันเกิดนิวรมันดับความฟุ้งซ่านมันดับ ความโกรธเกิดขึ้นนะกำหนดไปเรื่อยๆความโกรธหายไปทําไมความโกรธหายไปเพราะสมาธิเกิดขึ้นตัวโทสะก็ดับไปตัวปฏิฆะดับไปโลภะหรือราคะเกิดขึ้นนะเรากําหนดไปเรื่อยๆนะบริกรรมไปโลภน้อโลบน้อยอยากน้อยอะไรก็แล้วแต่นะหรือพุโทโธพุโทโธหรือรู้ลมหายใจไปเรื่อยสิ่งที่ได้คือสมถะจิตสงบลงมาราคะก็ดับไปกรรมฉันทะก็ดับไป งนเรากําหนดไปมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากูเก่งนะกูบังคับได้ถ้าปฏิบัติเก่งนะกําหนดเก่งๆบังคับเก่งๆจะรู้สึกเลยว่าจิตใจนี้เป็นของที่อยู่ในอํานาจบังคับมันได้ร่างกายก็บังคับได้นะบางคนนั่งสมาธิโต้รุ่งไม่ต้องพลิกเลยทําได้จิตใจก็บังคับเอามีแต่ความสุขความสบายหรือนิ่งๆทื่อๆแข็ง หลวงพ่อเห็นบางท่านท่านปรุงเมตตาขึ้นมาปรุงความเมตตาขึ้นมาแล้วจิตเข้าไปอยู่ในความเมตตาไปติดอยู่ในอารมณ์เมตตามันเป็นอารมณ์ของอรูปปลมเป็นอารมณ์ของพลมเป็นอารมณ์ของสมาธิงั้นจิตท่านเที่ยงอยู่งั้นชื่นช่ำเต็มไปด้วยความเมตตารู้สึกว่าจิตเที่ยงรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเพราะงั้นคนไหนเป่เงมากๆนะกำหนดมากๆนะนั้นะได้สมถะ ได้สมถะจะรู้สึกว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขนะมันเป็นอัตตาแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่นเราต้องค่อยๆฝึกให้เกิดสติที่แท้จริงสติไม่ได้ประวัากํำหนดสติคือความระลึกได้หน้าที่ของสติคือการคุ้มครองรักษาจิตไม่ใช่เรามีหน้าที่รักษาสตินะเรามีหน้าที่พัฒนาให้สติเกิดขึ้นมาแล้วสตินั่นแหละทาหน้าที่คุ้มครองรักษาจิต ทันทีที่สติเกิดเนี่ยอากูศลที่มีอยู่จะดับทันทีทันทีที่สติเกิดนะอากูศลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่สติเกิดนะกูศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสติเป็นตัวกูศลเมื่อกูศลเคยเกิดนะเราฝึกไปเรื่อยกูศลก็เกิดบ่อยๆกูศลงอกงามพัฒนาไปเช่นเราเกิดทีริโอตัปปะขึ้นมาพอมีฮิริโอตัปปะมันก็มีศีลมีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิมันก็มีปัญญามีปัญญามันก็มีบิมุติ คุณงามความดีทั้งหลายมันก็งอกงามไปจากการมีสตินิ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินะสติจะทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิตคราวนี้มันถึงปัญหาว่าทำยังไงสติจะเกิดขึ้นสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดไม่ใช่เกิดจากการกำหนดให้เกิดสติเองเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้จิตก็เป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดสติได้ ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุสติไม่เกิดแต่เราทำเหตุได้ไม่ใช่อนัตตาแปลว่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามยถากรรมนั้นไม่ใช่อนัตตาลวอนัตตาหมายถึงว่าเราไม่มีอำนาจบังคับมันที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับมันก็ดับถ้าเหตุมีมันก็มีนี่ไม่มีตัวตนถาวรมันเกิดได้ชั่วคราวถ้ามีเหตุถ้าหมดเหตุมันดับไป สติก็เหมือนกันสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้ถ้ามีเหตุสติก็จะเกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติธีระสัญญาธีระสัญญาถอถุงสรลัยรอเรือธีระคนไทยใช้คำว่าสติเนสถิระธีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำไมจิตจะจำสภาวะได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อย เงืนวิธีฝึกให้เกิดสตินะก็คือคอยตามรู้สภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆการตามรู้กายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานการตามรู้เวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการตามรู้จิตเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานรวมแล้วก็คือรูปธรรมกับนามธรรมให้เราตามรู้ตามดูรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏอยู่นี้ตามดูไปเรื่อยๆตามดูไม่ได้แปลว่าเพ่ง ไม่ได้แปลว่ากำหนดไม่ได้แปลว่าบังคับตามดูหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราคอยรู้สึกไปเรื่อยมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อเจียนถึงเราเรียนจากหลวงปูด่ดูลหลวงปู่เทศอะไรเนี่ยนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหลวงพ่อไปตามสานักต่างๆนี้เยอะมากเลย สำนักที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยไปดูมาแล้วทั้งนั้นเลยแทบทั้งนั้นไม่ทั้งนั้นบางแห่งไม่ได้ไปเข้าไปหาหลวงพ่อเทียน เ, นเห็นหลวงพ่อเทียนขยับมือหลวงพ่อเทียนขยับมือหลวงพ่อเทียนตื่นพวกโยมที่ไปหัดกับท่านนะขยับมือนะี่มีหลายพวกพวกหนึ่งคิดใหญ่ให้ท่านนี้แล้วต่อไปท่าไหนอ๋อท่านนี้นี่พวกหลงไปในโลกของความคิดีพวกหนึ่งเพ่งเพ่งเพ่งจิตเข้าไปเกาะอยู่ในมือเนี่ยจิตเข้าไปเกาะอยู่เนี่ยไม่คลาดเคลื่อนเลยเพ่ง นี่ก็ไม่ใช่รู้นะหลงไปคิดก็ไม่ใช่รู้เพ่งอยู่ก็ไม่ใช่รู้สองอันนี้เป็นศัตรูของรู้สองสิ่งนี้เป็นศัตรูของรู้พูดง่ายๆเผลอไปกับเพ่งไว้เป็นศัตรูของรู้รู้คืออะไรรู้คือสภาวะที่ไม่ได้เผลอไปแล้วไม่ได้เพ่งไว้เผลอเนี่ยใจจะไหลาตามกิเลสไปหลงตามกิเลสไปพูดภาษาให้เป็นแขกหน่อยเขาเรียกว่าเป็นการมาสุขานิการุโยคไหลไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วนการเพ่งไว้บังคับไว้บังคับกายบังคับใจนี่คืออตัตตกิลมถานนุโยคไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในอัตตกถาสอนไมนะ่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเฉะั้นอย่างที่พวกเราภาวนานะเรากำหนดพองหนอยุบหนョอะไรไปเรื่อยหรือกำหนดลมหายใจไปเรื่อยกำหนดลงไปเรื่อยยกเท้าย่างเท้ากําหนดไปเรื่อยมันคือการเพ่งเพ่งรูปบ้างเพ่งนามบ้างกระทั่งดูจิตเก็ไปเพ่งจิตได้นะก็พลาดไปเป็นสมถะได้เหมือนกันแนะ ไม่ใช่ว่ากรรมาฐานอะไรดีกว่ากรรมาฐานอะไรถ้าทําถูกก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันทําผิดก็ผิดเหมือนกันแหละแต่ส่วนใหญ่มันผิดผิดตรงที่ถ้าไม่ไปคิดเอานะก็เพียงเอาไว้ไม่ใช่รู้สึกเอาเราละเลยคําว่ารู้สึกไปคําว่ารู้สึกเนี่ยมันซื่อๆซื่อๆอออตรงๆเช่นความกโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกถึงความกโกรธที่เกิดขึ้นรู้สึกได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่พอความกโกรธเกิดขึ้นก็กโกรธน้อโกรหนอนะอันนั้นมุ่งให้หายโกรธ อย่างนั้นใช้ไม่ได้เป็นสมถะหรือจะเดินนะเราเอาสติเข้าไปเกาะอยู่ที่เท้าเท้าขยับยังไง ร, รู้หมดเลยอันนั้นคือการเพ่งเท้าเพ่งเท้าก็เป็นสมถะไม่ว่าเราเพ่งอะไรนะจะรูปธรรมหรือนมามธรรมเรียกว่าเพ่งอารมณ์อารามณุปนิชฌานการเพ่งอารมณ์คือการทําสมถะกรรมาฐานทั้งสิ้นเลยนี่บางคนเรียนพลาดไปอย่างร้ายแรงพลาดเลยคิดว่าเวลาเกิดมรรคผลเนี่ยต้องไม่มีจิต จิตดับไม่รู้ว่าเวลาเกิดมรรคผลต้องมีจิตนะชื่อมรคจิตชื่อผลจิตต้องมีจิตมีเจตสิกด้วยไม่ใช่ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกนี่ก็มานั่งคิดเจอว่าทํำยังไงจะไม่มีจิตบางคนสอนนะสอนเอาปฏิจจสมุปบาทมาอ้างเลว่าเพระเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีอยู่พระตัณหามีอยู่อุปาทานจึงมีอยู่เพราะอุปาทานมีภพจึงมีเพราะภพมีชาติจึงมีเพราะชาติมีทุกข์จึงมี เพราะถ้าดับเวทนาได้ก็จะดับตัณหาอุปาทานพบชาติทุกได้ไปเรียนกรรมฐานเพื่อดับเวทนาหลายคนทํานะยิ่งพวกนักปฏิบัติที่ชอบปฏิบัติมากๆเนี่ยสอนกันเลยว่าให้ดับเวทนาไม่รู้หรอกว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงดับเวทนาไม่ได้ภูมิธรรมที่ดับเวทนาได้มีอันเดียวคืออสัญญะัตาภูมิพรมลูกฟัก วิธีที่จะให้เกิดพลมลูกฟักทํำยังไงก็คือการเพ่งรูปพรมลูกฟักมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่จิตเนี่ยเพ่งรูปประฌานเพ่งรูปเป็นอารมณ์จนถึงฌานที่4จิตเป็นอุเบกขาเพ่งรูปแนบอยู่กับรูปเลยแล้วไม่สนใจในความรู้สึกทิ้งความรู้สึกไปจิตจะดับไม่มีเวทนาแล้วคิดว่าตรงที่วูบขาดสติหมดความรู้สึกตัวนี้เป็นการบรรลุมรรคผล งันบางคนนะบอกว่าผ่านยานมากมายวูบอย่างนี้หมดความรู้สึกอย่างเนี้ยหลายสิบรอบแนละ้วมีบางคนมาบอกหลวงพ่อนี่ทีมนี้เนะี่ยเคยเล่าใช่ไหมเคยได้ยานเป็นพระราหันต์มาหลายเที่ยวแนละ้ววันดีคืนดีก็ตีกับผัวอีกอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เราเข้าใจผิดเราไปคิดว่าบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องไม่มีจิตไปเข้าใจว่านิพานนิพานส่วนหนึ่งนะมรรคผลเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งโคโานกัน เพียงนะแต่ตอนเกิดมากเกิดผลมันมีจิตไปรู้นิพพานไม่ใช่ว่าดับลงไปหมดความรู้สึกคนละเรื่องเลยพอทฤษฎีชี้นําผิดการปฏิบัติก็ผิดถ้าทฤษฎีชี้นําถูกนะฟังให้ดีผู้เจ้าสอนว่าให้เรามีสติรู้กายรู้ใจสติต้องเกิดเองนะไม่ใช่สั่งให้เกิดถ้าสั่งให้เกิดเนี่ยโลภะมันจะแทรกถ้าโลภะแทรกเมื่อไหร่นะสติจะไม่เกิดเพราะสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้ สตรีมเป็นธรรมะฝ่ายกุศลจะไม่เกิดร่วมกับธรรมะฝ่ายอกุศลเด็ดขาดเลยงั้นบางคนพอเดินจงกรมนะคิดถึงการเดินจงกรมปุ๊บเนะี่ยอยากเดินก็รีบมาเข้าแถวเดินพอมาเข้าที่จะเดินแล้วนะก็เริ่มบังคับจิตสังเกตไหมพอคิดถึงการเดินจงกรมสิ่งแรกที่ทํานะคือบังคับกายต้องเรียบร้อยก่อนต้องเรียบร้อยแล้วแต่จะมือไว้ที่ไหนต้องดูเรียบร้อยไปก่อนพอบังคับกายได้ที่แล้วก็บังคับจิตน้อมจิตให้ซึมก่อน เขาคิดว่าซึมคือสงบซึมแล้วตอนนี้่อยเดินไปเรื่อยจิตมีราคะแทรกจิตมีโมหะแทรกจ้างให้สติก็ไม่เกิดทำไงสติจะเกิดเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นความเคลื่อนไหวของกายจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรามาทดสอบดูในขณะที่นั่งฟังอาตมาพูด รู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดบางทีก็มามองหน้าสึกไหมจิตมาคอยจ้องหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำสลับไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆไม่มีใครฟังอย่างเดียวหรอกไมฟังกับคิดสลับกันไปเรื่อยๆทำไงสติจะเกิดเราคอยสังเกตใจของเราดูอย่างสบายๆนะ ใช้ชีวิตธรรมชาติเงี้ยพอจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปดูรู้ว่าจิตไปดูหากรู้จักสภาวะไปทดสอบจิตไปดูอันนี้ง่ายพวกเราช่วยกันดูพระพุทธรูปข้างหลังดูที่ยอดท่านนะดูที่พระเกตท่านแล้วเดี๋ยวจะต้องตอบคําถามพระเกตท่านเอยียงซ้ายหรือขวาพระเกตท่านอ่ะเป็นแฉกเล็กๆมีกี่แฉกสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูอพอ พอแล้วพอแล้วโยมที่มีหนวดพอแล้วสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูเนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่พระในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจตัวเองนะเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นขาดสติขาดสติปัฏฐานมีสติธรรมดาแต่ขาดสติปัฏฐานลืมกายลืมใจตัวเองเวลาหลงไปดูลืมกายลืมใจเวลาหลงไปฟังลืมกายลืมใจเวลาหลงไปคิดก็ลืมกายลืมใจ งั้นเมื่อไหร่ถ้าจิตไหลไปดูรู้ทันว่าไหลไปดูไม่หลงดูนะจิตก็จะตื่นขึ้นมาเมื่อไรจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังไม่หลงไปคิดไม่หลงไปฟังนะจิตก็จะตื่นขึ้นมาเวลาคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตก็จะตื่นขึ้นมาพวกเราลองค่อยๆฝึกนะพวกเราส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยพวกปัญญาชนอันนี้เป็นคําสุภาพนะคาจริงๆคือพวกฟุง้งซ่านพวกคิดมากคิดมากยากนาน เรียกว่ายกย่องไว้ก่อนว่าเป็นปัญญชนเพราะนี่นคิดทั้งวันหัดไว้อันเดียวก็พอแล้วจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดลองฝึกอย่างเนี้เพราะอะไรทําไมสอนให้ดูจิตที่ไหลไปคิดดูยากนิดนึงจิตที่โกรธจิตที่โลภดูง่ายจิตที่ไหลไปคิดดูยากนิดนึงแต่ว่าคนเก่งมันต้องเรียนยากๆไว้ก่อนทําไมหลวงพ่อเจาะจงให้เรียนจิตที่ไหลไปคิดเพราะจิตที่ไหลไปคิดเกินพ่อยที่สุด จิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหลงทางใจเกิดบ่อยที่สุดหลงทางใจเนี่ยหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งหลงไปเพ่งหลงไปปฏิบัติธรรมหลงไปทั้งนั้นเลยหลงไปดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไหลไปละเรียกว่าหลงเหมือนกันอย่างเนี้ยคนเปิดประตูเห็นไหมจิตไหลไปอยู่ที่ประตูหลงละเห็นไหมหลงเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นลืมตัวเองเมื่อไหรตกจากวิปัสสนาเมื่อนั้นแต่ถ้าเพ่งตัวเองก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาเพ่งเพ่ง รู้สึกมาเลยรู้สึกรู้สึ ก, สกเพ่งเอาไว้จิตเข้าไปแนบงั้นเราหัดรู้สภาวะนะสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในแต่ละวันคือสภาวะที่จิตแอบไปคิดจิตของเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมมีคนไหนไม่คิดเลยยกมือให้ดูหน่อยพราพิการละ่ะซ่องสมองฝ่อไปแล้วคนปกติคิดทั้งวันเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยโลภทั้งวันไหมไม่เท่าคิดใช่ไหมต้องคิดก่อนถึงจะโลภได้โกรธทั้งวันไหมไม่ได้โกรธทั้งวันย ต้องลงไปคิดก่อนถึงจะโกรธได้เพราะฉะนั้นถ้าหักรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆนะคือจิตลงไปคิดถ้าใครเห็นตรงนี้ได้นะการภาวนาจะง่างยานิดเดียวแล้จิตไหลไปปุ๊บรู้สึกไหลไปปุ๊บรู้สึกต่อไปสติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดได้เองนะต่อไปจิตมันไหลไปคิดรู้สึกเองจิตมันโลบมันจะรู้สึกเองจิตมันโกรธจะรู้สึกได้เองรู้สึกโดยไม่ต้องจงใจให้รู้สึกมันรู้สึกเองการที่จิตสามารถรู้สึกขึ้นได้เองเนี่ย จิตชนิดนี้ในอภิธรรมจะเรียกว่ามหากุศลจิตยานสัมปยุทธ์อสังขาริกังอสังขาริกังสําคัญนะจิตที่เป็นกุศลมีสองยมพวกอสังขาริกังไม่ได้จงใจให้รู้สึกขึ้นมาไม่ได้จงใจให้เกิดพวกนี้มีกําลังแก่กล้าเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าสังขาริกังคือต้องน้อมนําให้เกิดเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนไม่พอที่จะทํำมิปัสนาจริงแล้วเราต้องพัฒนาสตินะ หัรู้สภาวะไปเรื่อยบางคนเห็นขี้โมโหไปดูความโมโหจิตโ ม, มโหขึ้นมาก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้คนไหนขี้โลภนะไปดูจิตโลภจิตโลภขึ้นมาเรารู้จิตโลภขึ้นมาเรารู้คนไหนช่างคิดนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกอันเดียวอันเดียวก็พอนะต่อไปจะเห็นอันอื่นเองมันจะเนื่องกันไปหมดเลยงั้นกรรมฐานไม่เรียนมากสติปัฏฐานที่พระเจ้าสอนไว้มากเพราะว่าคนมีมาก คนแต่ละคนใช้กรรมฐานไม่มากอะแค่นิดเดียวเช่นรู้ลมหายใจออกเห็นตัวที่หายใจออกไม่ใช่เราเห็นตัวที่หายใจเข้าว่าไม่ใช่เรามันก็ไม่มีตัวเราละรู้ยืนเดินนั่งนอนเห็นว่าตัวที่ยืนไม่ใช่เราเดินนั่งนอนไม่ใช่เรามันก็ไม่มีเราละถ้าเห็นว่าความสุขความทุกข์ความเฉยเฉไม่ใช่เรามันก็ไม่มีเราละคนไหนขี้โลบก็ดูจิตโลภจิตทั้งวันมีสองชนิดจิตโลภกับจิตไม่โลภ ทั้งหมดนี่เกิดดับทั้งคู่จิตโลภเกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดแล้วดับดูคู่เดียวก็พอคนไหนขี้โมโหดูจิตโกรธจิตโกรธกับจิตไม่โกรธทั้งวันมีแต่2อชนิดชีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธดูบ่อยๆนะถ้าจิตโกรธก็รู้สึกตัวจิตไม่โกรธก็รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันละคนไหนชอบคิดนะจิตไปคิดก็รู้พอรู้ทันก็เกิดเป็นจิตที่ตื่นขึ้นมาจิตไปคิดแล้วก็รู้ขึ้นมาเผลอไปแล้วก็ตื่นหลงไปแล้วตื่นหลงไปแล้วตื่น ถ้าหลงไปก็รู้สึกรู้ทันนะตื่นขึ้นมาก็รู้ทันเองคราวนี้รู้ได้ทั้งวันเลยเพราะทั้งวันมีอยู่แค่นี้เองเรียนนิดเดียวนะเรียนนิดเดียวไม่ต้องเรียนเยอะไม่ต้องเรียนแบบล่มมากพวกเรียนอย่างล่มมากเนี่ยเอาไว้ให้พวกพระโพธิสัตว์เขาเรียนกันเขาต้องรู้มากๆจะได้สอนคนได้เยอะๆถ้าเรามุ่งเอาความพ้นทุกเนี่ยเรียนธรรมะ ค, คู่ใดคู่หนึ่งก็พอละคู่ใดคู่หนึ่งแล้วแต่เราถนัด บางคนเห็นชอบท้องข อ, องยุบมา ก, ก่อนนะแค่ดูรูปที่เคลื่อนไหวกับรูปที่หยุดนิ่งเห็นรูปมันมีสองอย่างนะทั้งวันมันจะกระดุกกระดิกยังไงมันก็มีอยู่แค่นั้นเองคนไหนชอบดูจิตนะจิตมันโมโหก็รู้พอรู้ปุ๊บก็คือจิตที่ไม่โกรธคนไหนชอบดูโลภชอบโลภมากดูโลภพอรู้ทันว่าจิตโลภในขณะที่รู้ทันว่าจิตโลภนั้นจิตดวงนั้นไม่โลภนะทั้งวันจะมีเป็นคู่สลับกันอยู่อย่างนี้ เบื้องต้น อ, อันเดียวก่อนต่อไปแล้วมันจะรู้หมดเลยจะเข้าใจรู้อันเดียวเป็นแล้วก็ได้ทั้งหมดอ่ะเหมือนคนเล่นกสินนะเล่นกสินอันหนึ่งให้ได้แล้วอันอื่นจะเนื่องกันหมดเลยนะมันไปได้ไม่ยากนี่เป็นวิธีฝึกให้เกิดสตินะส่วนวิธีฝึกให้เกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะเชิญไปทานข้าว